พระตรปิฎกเล่มที่ส2สองสันเลขัดสูตรว่าด้วยธรรมะเครื่องขัดเกลากิเลสสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระมหาจุนทะออกจากที่หลีกเรนในที่นี้หมายถึงพละสมาบัติชั้นสูงสุดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีทิฏฐิหลายประการในโลกเกี่ยวกับอัตวาทะบ้างหมายถึงมิจฉาทิฏฐิที่ปรากฏอัตตาเช่นเห็นว่ารูปเป็นอัตตาเป็นตน้นเกี่ยวกับโลกาวาทะบ้างหมายถึงมิจฉาทิฏฐิที่ประรบโลกเช่นเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นตน้นเมื่อภิกษุบนญสิการเพียงเบื้องตน้น ละสลัทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นได้อย่างนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจุนทะมีทิฏฐิหลายประการในโลกเกี่ยวกับอัตตวาทะบ้างเกี่ยวกับโลกาวาทะบ้างเมื่อภิกษุเห็นอารมณ์เป็นที่เกิดขึ้นเป็นที่หมักหมมและเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งทิฏฐิเหล่านั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตราของเราก็ละสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นได้รูปฌานสี่และอรูปฌานสี่จุนทะเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ส ง, งัดจัด ก, การมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ ธรรมะคือปฐมฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องขัดกล่ากิเลสในอริยวินัยแล้วเรากล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะวิตกวิจาร์สงบรงะงับไปภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานซึ่งมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ธรรมะคือทุติยชานีเราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องขัดกล่าวกิเลสในอริยวินยัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินยัยเป็นไปได้ที่เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุบางรูปในธรรมวิไนนยนี้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตัติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขธรรมะคือตัติยะฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องขัดกล่าวกิเลสในอริยวิไนแต่เรากล่าวว่า เป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะละสุขละทุกขได้เพราะสมณนัและโทมนันะดับไปก่อนแล้วภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตตะชาญที่ไม่มีทุกขไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ธรรมะคือจตุตตะชาญ น, นี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องขัดกลากิเลสในอริยวินัย แต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิคะสัญญาไม่กำหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้บรรลุอากาสานัญญัตนาฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ธรรมะคืออากาสานัญญัตนาฌานนี้ เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องขัดกลากิเลสในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่สงบในปัจจุบันในอริยวินัยเป็นไปได้ที่เพราะล่วงอาการสานัญจายตนะชานโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุวิญญาณนัญจายตนะชานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เพราะลวงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้บรรลุเนวสัญญาณสัญญายตนะฌานอยู่ธรรมะคือวิญญาณัญจายตนะฌาน ธรรมะคืออากิญจัญญายตนะฌานและธรรมะคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องขัดเกลากกเลตในอริยวินัยแต่เรากล่าวว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่สงบในอริยวินัยข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาเกเลสจุนทะ ในการเบียดเบียนกันเป็นต้นนี้เธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสโดยคิดว่าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้เบียดเบียนกันเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันชนเหล่าอื่นจกฆ่าสัตว์เราทั้งหลายจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ชนเหล่าอื่นจกรักทรัพย์เราทั้งหลายจกเว้นจากการลักทรัพย์ชนเหล่าอื่นจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ เราทั้งหลายจะประพฤติปรมาจันท์จนเหล่าอื่นจะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเราทั้งหลายจะไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อจนเหล่าอื่นจะเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเราทั้งหลายจะไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นชนเหล่าอื่นจะมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดมีความด â ริผิด เจรจาผิดกระทาผิดเลี้ยงชีพผิดมีความพยายามผิดมีความระลึกผิดมีการตั้งจิตมั่นผิดเราทั้งหลายจะไม่มีจิตพยาบาทจะมีความเห็นชอบมีความดําริดชอบเจรจาชอบกระทรมชอบเลี้ยงชีพชอบมีความพยายามชอบเราทั้งหลายจะมีความระลึกชอบมีการตั้งจิตมั่นชอบ ชนเราอื่นจะมีมิจฉาญานะคือความรู้ผิดมีมิจฉาวิมุตตความหลุดพ้นผิดเราทั้งหลายจะมีความรู้ชอบเราทั้งหลายจะมีความหลุดพ้นชอบชนเราอื่นจะถูกความหดหู่และเสื่องซึมครอบงำมีจิตฟุ้งซ่านมีความสงสัยมีความโกรธหูโกรธลบหลู่คุนท่านตีเสมอมีความริษยาความจรรีโอ้อวด มีมารยาดื้อรั้นถือตัวจัดวายาตมีมิจฉุ่วประมาทไม่มีศรัทธาไม่มีความละอายบาปไม่มีความเกรงกลัวบาปเราทั้งหลายจากปราศจากความหดหู่เลื่อเสื่งซึมมีจิตไม่ฟุ้งซ่านข้ามพ้นความสงสัยไม่มีความโกรธไม่ผู่โกรธไม่ลบหลูก่กุลท่านไม่ตีเสมอ ไม่มีความริษยาไม่มีความตรรณีไม่อโอบอวดไม่มีมารยาไม่ดื้อรัน้นไม่ถือตัวจัดเราทั้งหลายจะว่าง่ายจะมีมิตรดีไม่ประมาทมีศรัทธาเราทั้งหลายจะมีความลักไอ้บาปมีความเกรงกลัวบาปชนเหล่าอื่นจะมีการได้ยินได้ฟังน้อยเราทั้งหลายจะมีการได้ยินได้ฟังมากชนเหล่าอื่นจกเกียจคร้าน เราทั้งหลายจักปรารบความเพียรจนเหล่าอื่นจักมีสติหลงลืมเราทั้งหลายจักมีสติตั้งมั่นชนเหล่าอื่นจักมีปัญญาสามเราทั้งหลายจักสมบูรณ์ด้วยปัญญาเธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลส ด, ด้วยความคิดว่าชนเหล่าอื่นจักยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ยากในเรื่องนี้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 ชนเหล่าอื่นจกเบียดเบียนกันในเรื่องนี้เราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนกันชนเหล่าอื่นจักฆ่าสัตว์ในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกเว้นจัดการฆ่าสัตว์ตรัสข้อความเหมือนที่ตรัสมาแล้วจนถึงข้อสุดท้ายนะครับเธอทั้งหลายควรมีความคิดว่าชนเหล่าอื่นจกยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนสลัดทิ้งได้ยากในเรื่องนี้เราทั้งหลายจกไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฏฐิของตน สลัดทิ้งได้ง่ายทางหลีกเลี่ยงความชั่วจุนทะทางที่กรุบกรักจะพึงมีทางที่ราบเรียบอื่นเพื่อใช้เป็นทางหลีกเลี่ยงอันหนึง่งท่าน้ำที่กรุบกรักจะพึงมีท่าน้ำที่ราบเรียบอื่นเพื่อใช้เป็นทางหลีกเลี่ยงแม้ฉันใดความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้พูดเท็จผู้พูดสอเสียดพูดคำหยาบผู้พูดเพ้อเจ้อความไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นความไม่พยาบาทเป็นทางหลีกเลี่ยงสําหรับบุคคลผู้มีจิตพยาบาทสัมมติทิฏ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 เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มักโกรธความไม่ผูกโกรธเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ผูกโกรธความไม่ลบหลู่กุญท่านเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ลบหลู่กุญท่านความไม่ตีเสมอความไม่ริษยาความไม่ตรณีความไม่โอ้อวดความไม่มีมารยาความไม่ดื้อรั้นความไม่ถือตัวจัดความเป็นผู้ว่าง่าย ความเป็นผู้มีมิตรดีความไม่ประมาทเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้กระทาสิ่งเหล่านั้นศรัทธาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาฮิริคือความละอายบาปเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความละอายบาปอดตับปะความเกรงกลัวบาปเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ไม่เกรงกลัวบาปพาหุสัจจ์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 ไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ง่ายเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ยากจุนทะอกุณลธรรมทั้งหมดเป็นธรรมะนำบุคคลไปสู่ความเสื่อมแต่กุสลธรรมทั้งหมดเป็นธรรมะนำบุคคลไปสู่ความเจริญแม้ฉันใด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 ตั้งแต่ต้นจนถึงข้อสุดท้ายคือความเป็นผู้ไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ง่ายเป็นทางเพื่อความเจริญสาหรับบุคคลผู้ยึดติดถือมั่นทิฏฐิของตนและสลัดทิ้งได้ยากอุบายเพื่อความดับสนิทจุนทะเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคล น, นั้น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 เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลที่ทําสิ่งตรงข้ามกันตรัสถึงกุศลธรรมเหมือนกับหัวข้อที่ผ่านมาว่าเป็นทางเพื่อความดับสนิทสําหรับบุคคลผู้มีอกุศลธรรมครอบงํานะครับได้แก่ความไม่พยาบาทมักมีองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธนะิสัมมาญาณะสัมมาวิมุติ ความเป็นผู้ปราศจากความหดหู่และเสื่อมซึมความไม่ปุ้งร้านเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยไม่โกรธไม่กู่รโกรธไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรณีไม่โอ้อวดไม่มีมานยาไม่ดื้อรั้นไม่ถือตัวจัดเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้มีมิตรดีความไม่ประมาทศรัทธาอิริโอตปักพาหุสัจ การปรารบความเพียรการเป็นผู้มีสติตั้งมั่นความสมบูรณ์ด้วยปัญญาความเป็นผู้ไม่ยึดติดไม่ถือมั่นทิ่ติดของตนและสลัดทิ้งได้ง่ายเป็นทางเพื่อความดับสนิทจุนทะเราได้แสดงเหตุแห่ง ธ, ธรรมะเป็นเครื่องขัดกรอกิเลสเหตุแห่งจิตตุปบาทเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงเหตุแห่งการไปสู่ความเจริญ ละเหตุแห่งความดับสนิทไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้เราพูดแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์สาวกทั้งหลายได้ทํากิจที่ควรทําแก่เธอทั้งหลายแล้วจุนทะนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษเถิดอย่าประมาทอย่าได้เดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นคําพร่ำสอนของเราสําหรับเธอทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วท่านพระมหาจุนทะมีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบสันเลขัดสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง